ไม่ได้ฝึกเอาสงบตลอดเวลาสงบตลอดเวลาไม่มีในโลกมีแต่สงบชั่วคราวนะงั้นเราไม่ได้ฝึกเอาของชั่วคราวหรอกกรรมฐานอะไรควรฝึกล้มลุกลุกลานเพราะมุ่งเอาความสุขความสงบความดีอยากได้แค่นี้อยากได้ของเรื่องมันไม่เที่ยงเน่เงั้นได้มาล้วก็เสียไปได้มาล้วก็เสียไป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 เห็นความจริงของกายของใจแล้วล่ะกายกับใจนี้เป็นทุกข์หมดความยึดถือในกายในใจความอยากให้กายให้ใจเป็นสุขความอยากให้กายพ้นทุกข์ให้ใจพ้นทุกข์ไม่มีอีกนะพอหมดความอยากจิตหมดความดิ้นรนจิตที่หมดความดิ้นรนนั่นแหละสัมผัสธรรมะที่ไม่ดิ้นรนไม่ปรุงแต่งนั่นแหละคือพระนิพพานนะไม่ใช่จิตคือนิพพานนะจิตก็ส่วนจิตนะนิพพานส่วนนิพพานานะคนละอันกันนะจิตนั้นไปสัมผัสพระนิพพานเข้านะ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 ก, ก, ก็กลายเป็นนิ่งกลายเป็นนิ่งอะคะอ่ะอย่าไปเพ่งนะอย่าให้เพ่งนิ่งๆ น, นานๆนะไม่ดนะีนิ่งทีละแวบอะพอดนะีนิ่งนานๆไม่ดีแสดงว่าประคองถ้าประคองไว้ใจจะอึดอัดนะนิ่งๆทื่อๆไม<ด>่สบายหรอกไม่ได้ทําด้วยโลภะอยากให้ดีเลยไปประคองจิตให้นิ่งนะอย่างนั้นใจจะทุกข์นะไม่ดีหรอก ให้รู้กายอย่างที่เขาเป็นให้รู้ใจอย่างที่เขาเป็นไม่เข้าไปแทรกแสงเขาท่องไว้นะท่องให้ฟังซิใครจำได้ให้รู้กายอย่างที่เขาเป็นแล้วก็ให้รู้ใจอย่างที่เขาเป็นไม่เข้าไปแทรกแสงเขาไม่ต้องไปแทรกแสงค่ะก็ตั้งแต่ได้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 ต่างคนต่างทำหน้าที่ไม่ก้าวไก่กันไม่ก้าวไก่กันไม่ทุกสิเนาะดีขึ้นนะคบหลวงพ่อดีฝึกไปขอบคุณค่ะบางคนฝึกเดือนหนึ่งสองเดือนเท่านั้นแหละไม่ใช้เวลาเยอะหรอกเดือนหนึ่งสองเดือนก็เห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วถ้าขยันนะมีคนมาเล่ามันก่อนจานซุปเคมาเล่ามีคนหนึ่งฝึกสองเดือนก็เปลี่ยนละแล้วมีคนหนึ่งเขียนจดหมายมาเล่าว่าคนหนึ่งเดือนหนึ่งก็เปลี่ยนล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 พวกนี้ไม่เอามรรคผลอยากเป็นพระพุทธเจ้าพวกที่สามทำบาปรองลงมาด่าพระอริยะนะด่าพระอริยะเนี่ยปิดกั้นมรรคผลชาตินี้นะชาตินี้งั้นเราไม่รู้ใครเป็นพระอริยะอย่าเที่ยวด่าใครเล่นนะอย่าเที่ยวด่าส่งเด็ดเดือดร้อนเจ้าความคิดเจ้าความเห็นด่าคนโ น, น้นด่าคนนี้ได้เรื่องดีไม่ดีเกิดอนันตริยกรรมได้ด้วยนะอนันตริยกรรมเช่น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 คือว่ า, ามัน <c oughs> ลืมไปเลยใช่ไหมเห็นคือหนูไม่แน่ใจนะคะหนูเห็นว่ า, าที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนมีโมหะเป็นม่านปูพื้นอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะดีเแล้วก็เวลารู้เนี่ยมันก็แวกมานออกมาทีนึง <c oughs> <c oughs> แล้วเห็นเหมือนมีพบเล็กๆ เ, เนี่ยสร้างอยู่ในใจตลอด <c oughs> เออนะเป็นเรื่อยๆค่ะดูไปบ่อยๆนะ